ราธมเทศนาจาดกปืนเมืองเหนือเรื่องสุวรรณแปะคำผูกติดเจ็ดเรียบเรียงใหม่ต้นฉบับเดิมจากเมืองเจียงตุงโดยปออินสมชัยชมพูป ร, รียธรรมพระิโยกนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจีงยงไยนะโมวตัวตวสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ สเปจนาปาทาที nya ่ตุญะกัมมะนังยัสสะมากะตาตีสะตาโวดุราสะปุริชานโอยใหญ่พ้อมนม่ไข้ยิงใจตันตั้งไหลหนุ่มเทามีสัตว์ท่าเก้าเป็นพาทาน ได้หือตานข้าวนำวัตถุพัมตามมีพระมูนีติวัยเตสนาวัยเป็นายว่าจากมีอานิสงลายมากวาง <c oughs> บ่อาจอังกะดานาหรือตานนันนาตกถอยอานิสงน้อยบางเบาย้อนใจแห่งเรานั้นล่าหากเป็นเก้าปามี กันใจยินดีจมื่นจกยกยืนตานไปยังปัดใจเรื่องใจแม่นเป็นของตำไตาทามาดาย่อมมีอาณิสรงนำนามากวาง บอ่อาจอ้างจะใครกันนะบ่ใส่ใจบ่จืนเต้าจกยกยืนได้ได้หรือจำใจต้านลายเอาน้ากลัวต้านว่าเตียนควันหรือต้านปันตกใส่ใจหม่นไม่ไปใน แม่นตานไปหลายหลากอานิสงบอ ม, มากแก่นาเหตุนั้นศรัทธาจูผู้จุงขวาดรู้คนิ่งใหนฮหือแปลงนาใสใจจืน <c oughs> ก้อยยกยืนย่อตานจริงเจียงขานผาเสดอานิสงเลิดนาดำเป็นซาเป้าคำเล่มกว้างป่าคามตาตั้งสะกอน ดับอาวอนไม่มาดสุดเสียงขาดมองเงาดังเจ้าเราจูผู้ใดพ่ำหูเฮียนมาว่าอิติปิโสภกขวาตานาาวังสั ม, มารุยฮะดังนี้เป็นเก่าภกขวาอันวาพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าติโลกา นำสัดนาดาหาลอกไตขึ้นสูงเหอนใหญ่เจียงคานคือใดฮหือตานบ่อขาดลายเสนจัดดีลีเป็นเหือดีแก่นมันบ่อไ้วบันเฟื่อนคอน ขามสากอนบอ่จา่าถึงฟังกำนาเนระปานการฮือตานนี้เล่าหากเป็นเก้าปามีเป็นกองดีกวนไตฮือสมไปกนิ่งหม้ตันตั้งหลายตวนนาพร้อมอยู่นาฟังทาจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีว่าสเปจนะ ปตาดังนี้เป็นต้นติดสืบสนตววไปบัดนี้แดเตอสเปจนาปาตาอันว่าคนตั้งหลายข้างขอกอยู่ไปนอกปา ร, รารุวราชาที่ดาหน่อยเดชกับเปริเศษคำใสออกเวียงใจมารอด แล้วยังจอดเศร้าซากาปากันมาม้มวนหมู่แวดล้อมอยู่นันนำพ่องย่อมือตั้มต่างเกาทำนังงนอนเน่าชมสีนั่งกอไขาวาตีเกาจี เื่อแจ้งทีตามรายคนยิงใจหนุ่มเทาหูงเงินเก้าขีญ้าพ่องโซโกาไม่มาดน้ำตาหยาลิลำไหลย้อนมีใจหักคอดอยังดังยอดราช จ, จะทีดาต่างรีบสแสวงหาซอไซเอาอยัางไม่บ่งสร้างเปืือดาดางแต่งห้างแป้งตูบย่างสับปัน พ่องตัดฟันพ่องหลากพ่องสับฝากสานฝาพ่องไผ่คาจักตอกพ่องเตะหมอกคุดคุมปกเสากุ้มตั้งไว้เอาเครื่องใสตามลายบอนานาย่อนันไลแต่ใสกอเมียนใดดังใจตั้งเฮือนไฟหันนำมีพ้อมพั่มจูผาการพ่องเอาเข้าสารหมุนแปง้งตั้งจีนแหง้งป่าตาย พิกเกือลายพักไม่ตั้งเขื่องใจจูอันอันนำมาปันยืนตอนทวายแก่นางน้อยอ่อนชมสีตังไขวาตีต่อถอยมีบ่้นยนานาแล้วก็ดาขึ้นสูญยังตีอยู่ไผมันยามตาวันตกต่ำลวดมืดค่ำจนตาก็มีหันและนะ โพธิสัตวป์ปานาส่วนโพธิสัตว์ตนพาเสร็จออกจากขาแปืเลิศคนใส่เข้าอยู่ในตู่น้อยกับนางหยอดซอยราชจธจิดานางก็จะเกาจี้ว่าคาแดีปีใสใจแต่นี่ไปเป็นเก้าขอปี่เจ้าองค์คำ จุงวางตำละตอดอยังขาแปลยอดคนใสหรือเอาไฟสุ่มใสเฮือวูมัยหายห่นเพื่อบอกเหือคนต่างค่ายได้ว่าไราเตียนขวัญ นอขุณท่านหนุ่มเนาก็ตอบเป่ากำไปว่าขับแปะ๊ะคําใส่นั่นโสดมีพโยอดน่านำปีอาจกําสัดใจหื้อไฟวูไม้หายสูน ย้อนมีคุณมากวางบ่ออาจอางกานาปีจกักรษาสุขสอนไว้ตามบนไปในแต่นี่ไปเป็นเก้าปีบ่อเข้าบาังตนในขาบเปะมงกุลคนซอยตามดังทอยกำนังเต่าจักวางสอนไว้บอกให้คนน้อยใหญ่ได้หันเราจักปะกันก่อสร้าง บ่เว้นห่างเสียการบ่ปอนานไปนาเตียงปนโซกามองขีนอมูนีตนองอาจกับนางนาสายใจอันเคย อ, อยู่ห่อใจหยอดซอย มาโยตุบหน่อยมุงคาตุกเครื่องกากังแกนถมทางแนนเดิม อ, อ, อ้อนกอก้อยทอนกระผากมัดดิหากบางเบาสองคนเขาบุญกวาง ช่วยกันสร้างแปลงสวนของเปิงกวนกินใจมีพร้อมไขจูอันอันตั้งเพื่อมันแต่งเตาพักกาดเข้าสาลีตั้งพักจีหอมบัว มักทัวมากเขือดูงาำเรือลำห ม, มอกปูกตั้งดอกลายสีพงบานดีกี่อากันท้ากว่าหอมไก่ปลาหายใจจืนจ้อยดื้อมองตำก้อยเดิมดมา คนนาดาหน่อยใหญ่กาอันใดมาหันต่างปะกันจืนสู้ไข่กาอูยกอคุณพ่องมนุนเตี๋มแทงจุ๋ยตกแต่งดังดา พัดกันมาอยู่ไกลจช่วยใจกะตำการย่อนใจบ้านรักอดยังส่องเจ้าหยอดบุญขวางสาลีคิงบางยอดใหญ่กับหนอพระติวัยบุญนาอยู่เกหาตบน่อยหากจื่นจ้อยเจยบ้านสุขสำรานบอกขาดยิ่งกว่าอยู่ภาษาทอคำก็มีหันและนา ตาในกาลนันไซอุบัติใหญ่หานีบังเกิดมีมาตองในแห่งห้องเวียงใจคนไปในเหยานเยือกใจความเคือกแผ่พันของบ่อเกยหันแต่ก่อน เป็นปูมอนปีตาก็พากดมาหลายลาจูผู้หากขี่ขมบ่ใจกาละมีลมแต่ใสป้อยเกิดลมใหญ่เหลือแห้งต้องฝ้าแดงดังเลือดแม่น้ำเดือดป่าตาย ตั้งหวัวควายจังมาล้มตายกว่าตั้งวันลางเตื่อมีควันมืดกุมปกห่อหุมผางกาโจปารปลาละหยาบไรเกิดขึ้นไข่เวียงใจ จุมคนในไพราต่างไม่มาดมองเงาต่างสบเร้าเอาไม่ร้องบอกเป็นให้ยินผ่านเมื่อนั้นเต้าผู้บ้านที่ราก จ, จริงเฮ อ, อามาตต่างตาเรียกโหราผู้ใหญ่มาอยู่ใกล้จะทำบาดูราพร้มผู้เท่าอันเป็นเก้าโหราจานอันว่าอุบาทฐานลายแหล บังเกิดแก่เวียงใจเหตุอันใดนันใส่เฮือเกิดใดมีม้านเียสันใดจ้าอุบาทจรจักกาศรหายห่นเปืือหเฮือคนใหญ่น้อยหายตาก็้อมองขีจุงปิจารนาดีสั้นสองตามออกห้องปินเต้าแล้วบอกเราเือแจงอย่าได้แสงบังอํา กันเจ้าห่อคำที่ราดสุดเสียงขาดราดเจ้าองค์การหราจารผู้ใหญ่ขะดิงไข่ไปมาปิจารณาขึ้นลองบอกหันจ้องหันลาย ลงเลขกกลายพาพ่อยตั้งเป็นท้อยเป็นทานบัวคุ้นหานเอาเศษตามสัดท่าเป็ดเดิมออนพอตัวจรตัวอยู่พอตั้งกู่สัทูปิจารณาดูลืมเล่าก็บออหูก้าวขี้าตันภาญานักแก่บ่อจางแก่สันได้กันจักจกใครขับไว้ ว่าบ่อหูไข่สัดจังเยี่ยวเต้าได้ฟังจักโคดบ่อภายโพดวางปั่นยังรังวัลมากเต้าเหมือนดังเก่าเดิมอ่อนมันจริงย่อก่อนขับไว้ว่าคาแด่เต้าไทยภูมิอันว่าหาหนีหลายแหล่บังเกิดแก่เวียงใจย่อนสีนงไว้ลูกลา แห่งเจ้าฟ้าผู้บ้านเอาคนสามานต่ํำต้อยออกจากขาแปะถอยเป็นผัวตามเจ้าเนือหัวหากรู้คนเหล่าอูเนีองนั้นกันเอาตัวมันไปคาือความนาวัมวายอูบาทลายตัว้ร่ก่อจากยกย้ายหายหนีเจ้าปุรีไยน้อยจักอยู่จืนจ้อยเจยบาน ใจสามา น, นั่นสดมันบอโตอดอันใดกันจักนำไปคำคาให้ความนาเมื่อมอนเจ้านาคอนได้หูเตียงจักเก่าติ่นขวัญ ควรเจ้าจันยศใหญ่ตกแต่งใสอุบายหืมันตายย้อนโตดคนบ่อคิวโคดนิ้นตาหมอหโหราผู้เทาก็บอกเล่าอุบาย ามันใหม่กึดได้ืคแก่เต้าไทยลายพาการเต้าผู้บ้านฟังแล้วใจพองแผวยินดีรังวันมีมาเต้าปั่นแก่เท่าโหรามันสมมานาจาจือน่าขาปละเต้บาบัดเดียวแล้วปอกเลียวขึ้นสู่นั้งตีอยู่เงินมันก็มีหันเลยนะ ต า, าในกาลนั้นเหล่าเต้าเป็นเจ้าภาพปารามีอาจยาปงขาดบอกอามาดคนในว่าดูราคุณเตียมใจเฮยผู้แก่นมึงจุงเล่นไปปันปป่นไปใครปั่นบอกเหล่าแก่เคยเก้าถึงปลายตั้งเจ็ดใจอย่าจ้าเฮอมาพร้อมนะ่าจอมกันในโรงกันวันผูก กาละถูกยำง่ายไผยยาไม่เหลีกเว้นลบจากเส้นกำกูไผ่บกมาจูต่อหน้ากูจักคาบัดเดียวอามาเรีวรีพาวเนี่ยตามกำเต้าจูพภาคารคือไปทุนสารบอกเราแก่เคยเก้าวหกคนแล้วเรรนบจ่จ้า ขึ้น e, ข si. <c ười> ี่มาเตรียมใจออกเวียงใจไว้ว่องกันไปรดทองเกหาแห่งนอพุทธาหยดซ้อยเลนางนัดน้อยชมสีกออนจูลีก้มเก่าไขบอกเล่าขีญยาลำดับมาแต่ตนติดสืบสนถึงไปด้วยปริยายบ่โนยหือสองหยดซ้อยบุญมี ใดหูดีแจ้งที่บอมีตีสังกาแล้วรีบลาขึ้นสู่ยังตี้อยู่เวียงใจส่วนสี่นงไว้เว่นฟ้าคือ น, นางนอลาวิมาลากันคุณต่างตากระปากออกไปจากเขื่อนตนใจเร่ร้นวัยวันขึ้นสอดดันนาหน้าวาร้อยพระพิตตาป่อเต่า หาโขดหาาเครื่องขีดจะคืนนี้คืนสูังติอยู่หอคำเรือโกธาดำไม่เดือดบองหูเหือดสูญหายจริงอุบายเรียกร้องไปสู่ห้องเวียงใจเปืือหื้อคนไหนใจกานำไปคาแต่งฟันหรือก็กุ่มพันขังไว้ในขอกใหญ่กังกา ราชาธิดานยดใหญ่คันิงไข่าขาลายผากันตุกโศกปานจังหอยนาบอจิ้นจ้อยบ้านใส จ, จริงจะใครเก่า้ฮเจ้าหูตามมี นอโมนี้บนกวางก่อเก่าอ้างกำไปว่าหนูระสายใจเฮยน้อยหนาด่างอย่าได้ไม่มาดเครื่องกาบอตันเขาดงนาปากกว้างอย่าฟังอ้างกลัวซื้อ บ่ตั้นหันเหหิมฟังอย่าได้ฟังอาวอนกลัวเมื่อม้อนขาดความกลางแม่น้ำวังใส่แม่นมีไผน้อยใหญ่บังเกิดใดมีมา <c oughs> คุณมีพ้าหยาจบจอดย่อมเอาตัวรอดสดสดีหนอมูนี้หนุ่มเนาจะลมเล่าไหลพาการเปืือหือนังลงคานยอดซอย หายตามก้อยมองขีก็มีหันเลยนะว้นตีว่าเสกันวันลูนม่ารอดสองเจ้าหยอดบุญนำคือนอคุณทาตนองอาจกับนางนาธิดา ก็จากเกหาตีอยู่เข้าไปสู่เวียงใจจุมคนไหนไพราตังอามาตเานาหัวราตยาธิดาหยอดซอยได้แปะต่ำต้อยเป็นผัวปอดเดื อ, ห, อหัวโคตรกาได้ครับกว่าเสียไก่บัดนี้แปะคนใสวิเศษได้กเบเป็ดเป็นคนมีลัก ขานาตนงามอาจดังเทบาบุตรหยาดลงมาคนานาณาหลอกว้างไพยบ่ออ้างเตรียมตั้นต่างไข่หันไข่พออแจ้งต่อสายตาจิงป้ากันมามวลหมูยืนย้ายอยู่หิมตาง กันสบีกิงบ้างน่อนเากับโปธิีสั์เจ้าบุญนาเข้าปารามารอดเขาได้ต่อ ต, อ ต, อตาหันต่างปะกันต้านก่าว่วากำเหล่าเศร้าถึงหูได้มาดูสั้นทีสุดเสียงตีสงสัยกำเข้าไข่เก่าแก่หากม็นแต่ดีลี จุมสาวจีแม่ห้างพ่อตาป่อข้างลืมคิงต่างคานิ้งไข่ใดเอามาอยู่ใกล้เฟื่อแฝงเหลีโวมาแยงตัวเก่าแม่นห่อเขา้าตัวหา สามวันมาคบไข่หาบอดได้ต่างงามดูปุ่มลามต้องเติอตาเลือกเลแอเอูเต่าเล็งดูที่สั้นกึศดันได้ คนยิงใจหนุ่มเทาพอสองเจ้าบนมีต่างยินดีจมื่นใจเต้นตื่นปีญาต่างไรจาต่อถอยมีบ่น้อยไหลผ า, ากกาลนอปูที่ยานตนองอาจกับนางน้อยนาตรา จ, จาธิดาเก๋ไก้กาบอ่อจอะต่อเต้ารอดหอคำยกตีนต่ำใหญ่บาท ขึ้นภาาตดเรียวปันแล้วอภิวันก้มเก่าไว้ป่อเจ้าราชาแล้วรอราธายู่บอกเก่าอู ก, กําได้ย้ำนั่นคนไปในหนุ่มเทา คือฮกเคยเจ้าฮกเคยเก้าคำใจโยธาลายอามาเต็มห้องราตรงกันต่างป้กกันสั้นพอยังเจ้านอคุณทาต่างใครํำออกปากจู่ผู้หากยอกุณว่าเป็นแต่บุญปางก่อนแห่งนางน้อยอ่อนราจัธิดาจิงได้สามิกาพะเสด ละกาดาเลิดเกลลายไผบ่อมายเพียบใดพับโลกไตโล ก, การ้อยขุนอินตาบนกวางตกแต่งสร้างล้อมเหล่าหือนางทิ้งเหล่าอ่อนน้อยได้เป็นกูหอยเตรียมคิงส่วนหกนางหญิงผู้ปีนาบอกกีบ้านใสเหตหันใสใจน้องลา อันป่อเจ้าฟ้าจำนีได้ผัวงามดีผาเสดวันดาเลิดเหลือคนแล่พอผัวตนนั้นเล่าเป็นดังบอกเท่าดงควาง <c oughs> ตั้งหกนางผู้ปีใจกำกี้ปาลาหันสามิกาน้องลาใจปันบาเบาวนไข่เอาผัวตนผาคอง แล้วเอาฝัวน้องมาแทนแม่นจากเอาคำแสนเงินตือก็จักยืนหือดีหลีหกนารีปีเกา้าคานิงเล่าลายพัการพ่อหน่อโป้ที่ยานบุญใหญ่บ่อหอนได้วางตาก็บีหันหลยนะ กันเจ็ดเคยายน้อยใหญ่มาพร้อมไขบัวระมวนกาละกวนมารอเต้าเจ้ายอดผู้บ้านก็มีองค์การเกากี้ฮ้อแจ้งที่ขี้าตามํำโหราผู้เท่าใดบอกเล่าอุบายว่าดูระเคยตั้งหลายมวลหมูม่อันมาพร้อมอยู่โรงกัน เราไข่หูหันแจ้งที่ฮือเสียงตีสงสัยว่าเคยคนใดองอาจจบฉลาดสักปะการหูจะนานกว่ามูกะอันมาอยู่เป็นเคยเราบอกเคยได้ใจยังเคยน้อยใหญ่คนใดบัดนี้เราไขได้ยังกว้างใหญ่ตัวปี โอ้งามดีตั้งกูอันมีอยู่ดงนาเพื่อนำมาเลี้ยงไวไ้ในตีไกห่อใจสู่จุงไว้อย่าจะไปสู่ป่าดงควางหยับเอากวางตัวใหญ่มาหือได้คนละตัวกันไปสนุกหนัวเล่นล่าเอวตามป่าได้ได้ไดบอสมมายบอกไว้ คือหาบ่อได้ตามกำกัวจากนำไปคาด้วยดาบกาคมบ้างกันเจ้าหอกควางที่ราดเก่าเสียงขาดสุดปลายเคยตั้งหลายน้อยใหญ่ต่างยกมือไววอันจุลีแล้วลานีคืนสูงที่อยู่ไัมันก็มีหันเลยนะา ส่วนหกเคยผู้ปีมีใจกีใจบ้านเรียกนายพรานน้อยใหญ่ตั้งไั่ไตโยธามีนำนาลายหลากออกไปจากเพียงใจต่างมีใจจืนสูโหร้องอยู่เนืองนั้นต่างไครปันต่อถอยมีบ่โน้อยลายพักการ พองว่ากวางและฟ้านน้อยใหญ่จุงยกไว้ดีดีแม่นจักเอาราจาสีแรดจ้างย่อมสมไปอังกิตานาจักยับมาหืดได้ตามเตา่าไทยกฎหมายจักเอาเสือลายเสือแพวก็บ่อกาดแก้วเสียไหนเรามีมนใจวิเศษ สัตว์เปจียงง้านหือสัดดงดานพำพ้อมมาอ่อนน้อมยอมตนหากเป็นมุนกุ้นใหญ่เคยเจือใจจำ ม, มาลหลข้าวค้าบอหน้อยยอมไฟหอยจูพักการส่วนนายพรานหนุ่มเท่าก็บอกเราหกเคยว่าจุม่มเขาเกยได้หู ว่ามีกว่างอยู่แดนใดก่อป่าไปตีหันบุบุญดันไพรสนเรามีรีปนหลายลากันเราหากเล่งหันจักปะกันแวดไว้ย่อมยับใดดังไมย ทานตั้งหลายหนุ่มเท่าป่าหกเคยเขา้าดงเขียวตามเขาคเคยเตี้ยวบ่ผ่อนตั้งแต่ก่อนเมื่อมาก็มีหันแลนะ่าปุถีสัตตปานาะส่วนปุถีสัตตนบุญใหญ่กับนางนอไทยวิมาลากันไก่กาไปรอด เถืองที่จอดเทือนตอนนางตาบนยอดซอยนาต่ำก้อยมองขีจิงไรว่าตีบอกเราแก่ดอพระเจ้าบุญนาว่าพระพิตาปอไทยตกแต่งใสอุบายย้อนใจไใม่ไขคาหือปีความนาเมื่อมอนปีจักเดี้ยวจนดันเถื่อน พ่มีเปืือนป่อสองบ่ออาจป่องยับได้ยังกว่างตัวใหญ่ดังมมยส่วนเคยหกใจนันใสมีไผยไตโยธาพรานดงนาหนุ่มเทาอาสาเจ้าเอากาน โอจานานแจ้งส่องพับไข่หองดองควางกันหันกวางตัวใหญ่ย่อมยับได้ดังหมยแล้วน้ำมาถ่ายป่อเต้าฮือจืนเหยาวยินดี ส่วนปีบ่มีไผยไตยบ่มีพรานน้อยใหญ่นำตังจักยับกวางตัวใหญ่บ่หอนใดดังหมายปีเตียงไยความนานย้อนตันจักข้าบ่สงสัยสีนงไว้อ่อนน้อยรีรำทอยนาหน้าเมื่อนั่นนอพุทธานุ่มเนากอลมเล่าจะไครว่าดูราสายใจเฮยเว่นฟ้า นางยาโซกามองขีคนโลกีมวลหมูเตียนย่อมอยู่ตามกรรมตามบุญนำจักลากตามวิบากป์พาไปบ่มีไผแต่ไสจกักลีป่นใดดีลี จุงแปลงใจดีตั้งมันอดเยือนกันตามทำยามป่าปักรรมมาหลอดย่อมทะบอตาลนยามผลกุศลมาไข่เตียนย่อมได้เจยบานขอดงครานน้องดาจุงอยู่เฝ้าเกหาปีจากไกลกาเตียวต้องเข้าสู่ห้องดงไพรตามเจ้าหอใจหยดใหญ่ หากตกใส่ปันหมยบเม่เหมือนลายจากปอกวายนาะออกขึ้นมากันใครจาเสียงถอยหนอพระยอดซอยคุณทาก่อนยกตีนตํากาภากออกไปจากเขื่อนตนเข้าไพรสนทองเถื่อนบอ่มีเปือนเดียวได้ก็มีวันนั้นแลยนะ เนีิตังขีญาสังวันนาะวิเศษจาห้องเหตสุวรรณะแป่คำผูกทวนเจ็ดก็บังกรมสม็ตเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล